สามวันที่ผ่านมารู้สึกดินฟ้าอากาศปันป่วนก่อนหน้านี้ร้อนแต่พอต่อมานก็ฝนจะตกเลยคืนวันที่สิบห้าเนี่ยฝนตกแรงมากฝนตกไม่นานแต่แรงถ้าคนไปตากฝนเน่โอ้เปียกโชกแล้ววันนั้นะแต่ก็ยังดีพอวันรุ่งขึ้นมาก็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 ก้อนเมฆจริงๆมันก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันคล้ายๆวเสริมเท่านั้นเองเสริมเสริมให้มันตกกว่าะงั้นแต่ามีก้อนเมฆอยู่แล้วเรากอเอาปุ๋ยผงเคมีขึ้นไปแล้วก็ทำให้มันจับเป็นเม็ดแล้วก็ตกลงมาเมื่อวานใพระมาทั้งสองวัดมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจดี บัวบานหนึ่งก็ได้ที่ปรึกษาไปแล้วทั้งวัดหลวงปู่เพียนด้วยทั้งหลวงปู Thank ่แตงอ่อนจะสร้างเจดีแต่ตามไม่จริงการสร้างทาวรวัตถุถ้าว่าพวกเรามองเป็นสองแง่มุมเหมือนกันแต่เราหนักทางด้านวัตถุจนเกินไปก็ทำให้ห่างเหิน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 มีท่านนมามธรรมดีไหมดีออพวกเราพ้นทุกในวัฏะสงสารไปแล้วก็จะทํายังไงได้ลูกหลานเกิดใหม่ใจที่หลังคือเอาสั่งสมบารมีกันไปพวกเราหลุดพ้นไปแล้วก็หลุดพ้นไปสอนเทาที่จะสอนได้แต่ทีนี้ถ้าว่าใน ท, ทําท้าควนวัตถุไว้ดีไหม เพเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเออพราะพุทธศาสนานี่ตั้งแต่โบ ร, โบราณตั้งแต่พ่อคุณลามคำแหงตั้งแต่พ่อคุณศรีอินทร athi ตั้งแต่สุวรรณภูมินครปฐมตั้งแต่ดึกจำบัรคนโบราณคนไทยของเราได้นับถือพระพุทธศาสนามีทาววัตถุ เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์หมยตั้งแต่ดึกดำบรรณนมนานทีเดียวะอย่างดอยสุเทพนพระธาตุพนมนครปฐมนครศรีธรรมราชแลว้วก็เจดีย์อยุธยาหลายแห่งที่ปุพังอันนี้ก็คือเป็น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 สรุปแล้วก็คือให้รู้จักการสถานที่บุคคลบุคคลไหนควรจะทำควรจะสร้างเกีในหลักของพุทธศรารสนาธรรมถูประหาบุคคลสี่จำพวกพระประิจเตกพุทธเจ้าพระหาันสาวกพระเจ้าจากักรพรรดิแต่นี้มาถึงยุคของเราพอ ครูบาอาจารย์ที่มีทุกสิทธิลุกหามากก็สร้างขึ้นมาตาวรลวัตถุถ้าจะว่าไปดีไหมก็ดีคือเจดีแต่ละเจดีพวกเราก็ไม่ได้ใช่ว่าจะบรรจุแต่อธิษฐานของครูบาอาจารย์เราก็บรรจุพระโบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดี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 เราก็ควรจะจบเพียงแค่นั้นเมื่อเราสร้างจบแล้วก็ควรจะจบในใจของเราเราทําดีที่สุดแล้วไม่ใช่ว่าพอทําแล้วสร้างเสร็จแล้วยังเป็นห่วงหาอะไรในเจดีอีกกลัว ค, คนจะมางัดมาแ ง, ม า, งมาขโมยพอตายไปแล้วก็ไปเฝ้าเจดียทีนี่เป็นเป็ดเป็นผีเฝ้าอยู่นั้นผีใหญ่ต่างหากใครมากกันน่ะบันดุบัน ด, นนดาลให้ลอยบกไปเลยแบบนั้นเถอะ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 โดยกําลังแรงของเราด้วยกําลังความคิดของเราเนี่ยที่ได้สร้างพระเจดีขึ้นมาได้สร้างท้าวรวัตถุขึ้นมาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราเราก็ไม่ได้ให้แก่ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่ง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 พระพุทธเจ้ากัสสปะอายุยืนสองหมนปีเหมือนกันในยุคนั้นสมัยนั้นท่นี้คนทั้งหลายพอพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วท่านก็ไปชุมกัน เ, เราจะสร้างสถูปพระเจดีย์บรรจุพระพรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยเราจะเอาตรงไหนตรงจุดไหนเราจะสร้างใหญ่ขนาดไหนเราจะทําสูงขนาดไหน ทีนี้ประชาชนก็เอ้ามาลงมติกันทีนี้ก็รวมกันทั้งพระมหากษัตริย์หลายหัวเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยตลอดถึงเศรษฐีก็มาประชุมกันรวมกันลงมติพวกเศรษฐีก็เขียนแบบแปลนออกมาความกว้างจะต้องทน้นโยดเยโยดหนึน่งสี่ร้อยเซนนะ ไม่ใช่ธรรมดางั้นความกว้างด้านละเท่านั้นโยดเป็นสิบยี่สิบยชดเพราะงั้นแอแล้วก็ความสูงหนึ่งยอดอย่างนี้ใครว่าทำให้สูงให้ใหญ่เพราะงั้นเพราะเศรษฐีมีเงินมากเลยรวมรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกับกษัตริย์ต่นนี้คนจนเลยคนจนโอ้ ถ้าทําขนาดนั้นแล้วมันจะเสร็จได้ยังไงเราตายไปกี่พบกี่ชาติมันก็ไม่เสร็จใหญ่ขนาดนั้นน่ะจะไปทําขนาดนั้นได้ยังไงมันใหญ่เกินไปเวลาต่อไปพ่ายภาคหน้าเราคิดดูให้ดีสิใครจะเป็นคนดูแล ร, รักษาถ้ามันผุพังลงมาแล้วใครเป็นคนดูใครเป็นคนซ่อมมันไม่ใช่ของเล็กน้อยเลยนะทําใหญ่ขนาดนั้นดูแลรักษาก็ยากผุพังก็มาซ่อมแซมก็ยากทําเล็กๆแง่ย เหตุกระทัดร <an> ัดเนี่ยดูๆให้ดูง่ายๆส่องง่ายๆปกปักรักษาง่ายๆเนี่ยจะไม่ดีกว่าเหรออันนี้คือคนจนคิดแบงนั้นนแต่คนรวยคิดก็คิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคิดใหญ่ๆเหมือนกันะเขาก็คิดว่าเสร็จเพราะเขาจะระดมทุนในท้องประคังในเงินทุนของเขาก็จะทุ่มเต็มที่เพื่อบูชาพระธาตุของพระพุทธเจ้ากับสปะทั้งเศรษฐีหลายกลุ่มเหมือนกันรวมกัน ไม่มีปัญหาเซ็ตแต่คนจนบอกว่าไม่เซ็จเพราะตัวเองคำคดูกระเป๋าตัวเองมันดูดูแล้วมันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่เซ็จผลนี่สูกก็เลยเอาลงมติกันบาเนี่ยใครเสียงทางมากคนนั้นชนะกัเนเถอะคนหนึ่งบอกว่าเอาเพียงโยตเดียวก็พอแล้วแหละออย่าไปเอานั้งสามสีโนะ่โยตน่ะโยตตั้งสี่ร้อยเส้เโยตเดียวก็พ อ, เ, อเพียงแค่นี้พอดูแลง่าย อคือครึ่งยศก็ไม่รู้ว่างั้นเอาจริงๆจะครึ่งโยศมั้งผลที่สุดก็เลยคนจนมันมากกว่าคนรวยใช่ไหมล่ะลงมติกันผลที่สุดก็เลยคนจนชนะชนะคนรวยว่างั้นเะีอยแต่ท่านพระมหาเทระเนี่ยเป็นหัวหน้าเป็นหัวห อ, อกว่างั้นเน่ยเป็นผู้ตบเบลงเสียงบอกว่าให้เอาเล็กเออยเป็นผู้ชนะชนะเสียง ข้างมากว่างั้นแหละผลที่สุดก็เลยตกลงเพราะมันมันเอกฉันน่ะเด้เพราเสียงข้างมากว่าจะไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนจนมันมากกว่าคนรวยสินัยคนจนะมันมากกว่าคนรวยคนรวยมันไม่มากอย่างพวกเราเห็นทุกวันนะี่นะถ้าไปแข่งขันกัน่คนจนกับคนรวยอะไรมากกว่ากันเนี่ยมันก็สู้คนจนไม่ได้ฮแต่นี้สมัยนั้นก็เหมือนกันเนี่ยแข่งออกเสียงกันก็คนจนมันมากกว่าะ มากกว่าคนรวยก็เลยชนะคนรวยไปไอ้คนรวยก็เลยแพ้เอาไม่ได้เป็นไรเอาถ้าทำขนาดนั้นก็ทําขราะนั้นเอาร่วมกันก็เลยทําไปก็เลยเสร็จไอ้คนที่เป็นหัวหน้าก็ดีใจว่าตัวเองชนะพอเกิดมาพบนายชาติได้ท่านเลยเกิดมาพบชาติหน้าเนี่ยเตี้ยระบาดเนี่ยเกิดม า, า, า, าทมา่าไเลยคืบกวัวเองบัดเนี่ อตัวเตีย้ยนะพวกเราก็เห็นไหมพวกเตี้ยๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างงั้นนะเขาทําอะไรใหญ่ๆตัวเองคัดค้านลงให้เล็กกว่างั้นเถอะพอเกิดมาภูมิน่าชาดหน้าเดี่ยเตี้ยบดลนงั้นเถอนะเพราะนั้นพวกใดก็ตามนะถ้าเขาจะทําความดีแล้วพวกเราเสริมเลยเสร็จไหมล่ะอย่าให้เธอร้อนคนอื่นนะเสร็จไหมถ้าเสร็จเอาเอาเลยอืมสนับสนุนเหมืองั้นเ่ะ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 ทั้งที่จะเป็นบุญกุศลจิตใจยิ่งเศร้าหมองพ่อโดนเขาดุเขาดา่าเขาว่าเขากล่าวไม่รู้จะประมาณตนไม่ได้นะไม่เห็นด้วยนะ น, นี่ตเราต้องบอกแต่เอยไม่เป็นไรมีพร้อมอทําได้เสร็จนะเออเอาเอาเลยสนับสนุนถึงจะใหญ่จะสูงขนาดไห น, นก็สนับสนุนว่างั้นเลยเพราะเขาจะทําให้เสร็จแต่เดือดร้อนขึ้นมาเมื่อไรเราก็โยนให้เอทําไปนะ เราบอกแต่ทีแรกแล้วทำไมทำเกินประมาณตัวนะอันนี้ก็คือเราต้องบอกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะทำให้ใหญ่ให้ดีให้สวยให้งามตัวเองมีแต่คัดค้านตะบีตะบันไม่ดูตามาตาเรือเอาแต่ทิฏฐิมานะของตนเองเพ้อเพ้ออย่างอิจฉาพระพุทธเจ้าอีกเฮยพระพุทธเจ้าตายไปแล้วกระดูกเฉยเฉยจะทำอะไรช่วยอะไรมากมายนักหนาถึงขนาดนั้นเสียเงินเสียทอง เอาเ็กๆขนาดนี้ก็พอแล้วลวะเ่ะยังอิจฉาพระพุทธเจ้าอีกเพื่อเพื่อตกนรกอีกต่างหากท่นี่ตกนรกขึ้นมาเปงตัวเตี้ยอีกต่างหากยังยากจนอีกต่างหาก เ, หาเพราะเหตุอะไรเพราะคัดค้านคุณงามความดีของเขาไอ้เนี่น่ะมันมีกล้ำอย่างนั้นอ่ะพระเถรธท่านนั้นก่อนนั่นน่ะอวันนั้นพระสงฆ์ท่านมีเรื่องที่จะมากราบพระพุทธเจ้าพระเถรหองคเตี้ยน่ะองค์เล็กๆน่ย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 เดินเข้ามาพระเถระท่านก็เห็นเออพระนั้นกนําลังจะเข้ามาลาบทูลพระพุทธเจ้าพวกเราก็เสร็จภาระแล้วภาระที่เรากลับทูลพระพุทธเจ้าก็หมดแล้วก็เลยราบทูนพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ขอกราบลาเพราะพระเหล่านั้นพระเหล่านั้นกนําลังเดินมาครับผมพทุทโธเออท่านก็เลย แต่ไหวบังคลมพระพุทธเจ้ากราวพระพุทธเจ้าจากนั้นทั้งก็เดินลงจากพระคันตกุดีพระพุทธเจ้าพอเดินมาเดินสวนพระเหล่านั้น่ะพระเหล่านั้นทั้งสามสิบกว่าองค์พอไปเห็นพระเหล่านั้นก็เอามือขยุ่มหัวโอ้โหสัมมเนนน่านักจริงๆนะน่าอิ่มเอิบแกยิม้มหน้ายิม้มแกยิ้มหน้าเอิบอิ่มเหลือเกินสัมมาเนนบวชนานเท่าไหร่ล่ะเนี่ยะ ไ, ไปองค์นั้นก็เอามือขย่าวหัว บนนั้นเขย่าหัวเงินเขย่าหัวพระเทระพระเทเรก็เดินเฉยพอมาถึงพระพุทธเจ้านี่พระสงฆ์เหล่านั้นมาถึงพระพุทธเจ้ามากราบถวายบังคมพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าพิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นไหมพระมหาเถระที่เดินผ่านพวกเธอลงไปน่ะสวนทางพวกเธอขึ้นมาพวกเธอเห็นไหม ไม่เห็นพระเจ้าค่ะเอาไม่เห็นยังไงเดินผ่านไปไม่เห็นมีแต่สั ม, มเนนครับผมเดินผ่านไปสัมมเนนน้อยเดินผ่านไปนั่นแหละมหาเถระเอาทาไมจึงจัดว่าเป็นมหาเถระดูเป็นสั ม, มเนนนะพระเจ้าขา่าตัวเล็กๆเนีเออนั่นแหละเล็กนะัออ่ น, นนะทำไมท่านจึงตัวเล็กเพราะเป็นบาปกรรมในอดีตชาติของท่านโอ้เป็นบาปกรรมไรหนอพระเจ้าขานะ่าะสมท่านก็สนใจ พระพุทธเจ้าบอกว่านะในอดีตชาติพระพุทธเจ้ากัสริย์ปรินิพานลงไปแล้วคนทั้งหลายไปชุมหารือกันจะสร้างพระเจดีย์เนี่ยท่านพระมหาเถระท่านนี้แหละในคราวนั้นอท่านเป็นเป็นฝ่ายฝ่ายประชาชนแบบนั้นเถอะอคัดค้านฝ่ายเศรษฐีแบบงั้นเถอะท่านก็เลยเป็นฝ่ายชนะจากนั้นก็ได้สร้างเจดีย์เตี้ย ต่ำเล็กเกิดมาพบนิชาตินี้ท่านก็ได้ได้รับผลกล้ำที่ตัวเองได้ทําไว้ในอดีตชาติได้คัดค้านพระเจดีฮนี่แหละการจะคัดค้านสิ่งไหนมันต้องดูตามาตาเรือซะก่อนนะไม่ใช่ว่าคัดค้านตามีตะบันก็ไม่ได้นะหลวงพ่อว่านะเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกล้ำเหมือนกับพระเทระองนั้นนะ ถ้าพวกเราคิดอีกอย่างหนึ่งก็ตัวเตี้ยดีไหมก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อวะ่ะแต่หลวงพ่อไม่อยากจะเตี้ยหรอกวะอพอเวลามันจีบของสูงๆมันจิบยากเวลาลงน้ํากำเหมือนกันเวลาคนอื่นชสูงๆเขาเดินเขาเพียงเอวตัวเองมันท่วมจมกนะูกลอยน้ําละเนี่ยถึงที่มันไม่ดีเหงั้นก่ะไอสิ่งที่มันดีคืออะไรเวลาใช้เสื้อผ้าไปใช้ผืนเล็กๆใช่ไหมใช้เป้าผมก็ใช้ผืนเล็กๆก็ไม่เปืองเหมือนคนอื่นเขา อถ้าตัวสูงตัวใหญ่แต่มันเปลืองเหมือนกันเถอะได้ซื้อแพงอีกต่างหากถ้าตัวเล็กๆซื้อราคาถูกเนยตัวเล็กๆก็ดีเหมือนกันเนี่หลวงพ่อว่านะใครอยากจะเอาตัวเล็กก็ได้ใครจะเอาตัวใหญ่ก็ได้ถ้าใขยายเอาตัวเล็กอย่างนะ้อย่างพระเถระท่านนั้นน่ะถ้าใครทําคุณงามความดีอะไรคัดค้านตัมบีตะบันเนี่ยเกิดภพนาชาัดนาเล็กแน่ๆเหมือนกันเถออะเพราะนั้นพวกเราอยากจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่น่ะ แกลมอยู่ในโลกเนะี่ยไม่ไปที่ไหนกลัมโมนีนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกลัมที่ตนได้กระทาไว้สัตว์โลกก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนะตั้งแต่พรมโลกตั้งแต่พรมลงมาถ้ายังไม่พ้นทุกนิมิตะสงสารยังมีกิเลสอยู่จัดว่าเป็นสัตวตะโลกทั้งหมดสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ยังคล่องอยังคองอยู่ในภพในชาติ ตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดากลับลงมาอีกมาเกิดมนุษย์เ อ, อกบางทีเพราเพืเ่อไปเกิดเป็นสัตว์ทีรักฉันก็มีมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเวียนว่ายตายเกิดจุดแท้แต่กรรมในอดีตชาติของเราจะให้ผลอย่างไรเราคิดดูก็แล้วกันแ ต, แต่เราเป็นเด็กมาจนถึงใหญ่ถึงขนาดนี้เราทำแต่กรรมดีอย่างเดียวใช่ไหมหก็ไม่น่าจะใช่ เราทำก ร, รมชั่วอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่สรุปแล้วก็คือการทำกลัมของเราเนี่ยในชาตินี้ชาติเดียวก็คละเคล้ากันถ้าว่าพวกเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาในกรียุกอย่างนี้เกิดมาแล้วก็แข่งแย่งกันฆ่าฟันรันแทงกันอย่างนี้เกิดพบนั้นชาตินั้นไปว่าทำกลัมมากแนหะยกลัมตัวนั้นะ่ะ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 ให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อภายหลังรนาะนั้นท่านไว้ให้ทำแต่กรรมดีคิดดีทำดีพูดดีถ้าเราใช้ปัญญามีสติอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรถ้าเราไม่มีสติก็ อ, อย่างบ้านนะปล่อยไปเรื่อยคิดไปเรื่อยผลในจุดทำไปเรื่อยกับพูดไปเรื่อย กลัมก็ตามมาเรื่อยๆถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีผลมัน ก, ก็ดีถ้าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรัมชั่วมันก็ให้ผลเพราะนั้นมันอยู่กับเราทั้งหมดกลัมคือการกระทำเทพเจ้าเหล่าเทวาระเจ้าองค์ไหนประสาทพอให้เราไม่ได้ทั้งนั้นเราเป็นผู้ทำเอาเองเราเป็นผู้กระทาเองกลัมคือการกระทา ถ้าเราทำดีแล้วผลดีก็ต้องมาหาเราถ้าทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วก็จะไปจะไปไหนมาหาเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำแต่กรรมดีเกิดมาพบพุทธศาสนาพบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีนะทาแต่สิ่งที่มันดีนะ <c oughs> รับพ่อนนะทีนี้อนุโมทนายโพธ